ชวีวิตของเราไม่ว่าสั้นหรือยาวมีอะไรที่ต้องทํามากมายหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือการทําดีนะาการทําดีเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานของทุกชีวิตเลยนะที่เป็นมนุษย์มันจะเรียกว่าเป็นตัวชีวะนะความเป็นมนุษย์ ของคนเราก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาเทคโนโลยีภาษาที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความเป็นมนุษย์่สิ่งนั้นคือการทำดีต่างหากและการทำดีนี่ก็เป็นพื้นฐานนะของพุทธศาสนา แต่ถ้าพุทธศาสนาเนี่ยสอนแต่เรื่องทำดีนะก็คงไม่ต่างจากศาสนานอีกมากมายและที่จริงแล้วเนี่ยท่าวาสารักสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่การทาดีไม่มีศาสน า, นาก็ได้นะ คนที่ไม่มีาศาสนาหรือไม่นับถือาศาสนาจนวนไม่น้อยนี้ก็เป็นผู้ที่ทำความดีแล้วก็เรียกว่าอุทิศตนนะเสียสละเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมบางทีเพื่อแพ่ไปถึงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เดี๋ยวนี้มันมีปรัชญาจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ ชักชวนให้คนทำความดีซึ่งในบางเรื่องก็มันสอดคล้องกับยุคสมัยด้วยเช่นแนความคิดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องนิเวศวิทยาหลายสำนักเนี่ยหรือว่าที่โดดเด่นก็คือนิเวศวิทยาแนวลึกเนี่ยนะโอ้เขามีแรงบันดาลใจมากนะในการชักชวนให้คนเนี่ย เสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาธรรมชาติพวกที่เคลื่อนไหวเรีอกลองให้เร่งแก้ปัญหาโรคร้อนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะนี้เนี่ยหลายคนเาก็ไม่มีาศาสนานะแต่เขาทุ่มเทมากอุทิศตัวมาก เขาก็เห็นว่านี่คือจริยธรรมนะขั้นพื้นฐานเนะี่ยที่คนเราต้องมีบางคนก็เสียสละยอมติดคุกนะในการประท้วงโครงการที่ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ามากขึ้นมีการเผาผลาญพลังงานฟอสซิลซึ่งทำให้โลกนี้ร้อนมากขึ้น บางพวกนี้ก็อุทิศตัวเพื่อการปกป้องรักษาสิทธิของสัตว์สัตว์ถูกทรมานในฟาร์มที่ทำเป็นอุตสาหกรรมก็ดีหรือสัตว์ที่ถูกทำร้ายในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการแพร่ก็ดีนี่ก็มีคนเดินไม่น้อยนี่ไปช่วยออกมานะ ยอมติดคุกนเพื่อสิทธิทของสัตว์เหล่านี้แลบการปกป้องหลายคนก็ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ก็เห็นว่านี่คือความดีนะที่มนุษย์เราควรจะมีแลวกระทำนะต่อสัตว์หรือชีวิตรวมโลกบางคนก็ถึงกับเอาตัวนี่ไปขวางการตัดไม้ก่อต้นไม้เอาไว้ ต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อไม่ให้ใครมาตัดเพราะถ้าจะตัดต้นไม้ก็ต้องค่าคนที่ก่อต้นไม้ด้วยบางทีไม่ได้ก่อต้นไม้นะไปแผนตัวเองเยอยู่บนต้นไม้อยู่บนคาคบกิ่งไม้สูงๆกินนอนตรงนั้นเลยเพื่ออะไรนะเพื่อไม่ให้คนตัดต้นไม้เพราะถ้าตัดต้นไม้ต้นไม้โคต ล, ลงลงมา คนที่อยู่บนต้นไม้นี่ก็ต้องตกมาตายพอตกมาตายมันก็เป็นข่าวคราวดังไปทั่วโลกก็ทำให้การตัดต้นไม้มันต้องชะ ง, งักหรือว่ามันก็มีกลายเป็นคดีต้องมีการฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลบริษัททำไม้ก็เดือดร้อนต้องเสียเงินเสียทองมาก ก็เลยไม่กล้าตัดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีก็กล้าตัดขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็หมายความว่าคนที่อยู่บนขาคบก็ต้องตกมาตายและพวก น, นี้ก็เรียกว่าทำความดีนะเสียสละเพื่อรักษาป่าเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังนะ คนเหล่านี้จำนวนมากก็ไม่มีาศาสนาแต่เขามีความเชื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิทธิของต้นไม้สิทธิของสัตว์อันนี้ก็คือปรัชญายหรือโดมการสมัยใหม่นะที่สามารถบรรตาลใจคนที่ทำความดีได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยาศาสนา เพราะฉะนั้นถ้าศาสนาพุทธเนี่ยมีแต่เรื่องสอนให้คนทำดีก็อาจจะไม่มีความสำคัญมากนะไม่ได้แตกต่างไปจากศาสนาอื่นหรือว่าปรัชญาอุดมการอื่นๆในทางโลกนะ แ, และวที่จริงถ้าพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทำความดี คำสอนในพุทธศาสนาก็มีแค่ศีลก็พอนะส่วนสมาธิปัญญาเนี่ยก็ไม่จําเป็นนะายสิขามันก็ไม่จําเป็นสอนแค่ศีลก็พอนะแต่พุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเรื่องไตรสิกขามีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาสมาธิแล้วปัญญานี่มันก็เป็นเรื่องที่มากไปก่าการทำความดีนะ หรือถ้าพูดย่ันก็คือว่ามันเป็นเรื่องการทำใจให้ดีนะทำดีเนี่ยถ้าหาว่าจำกัดอยู่แค่ศีลมันก็ไม่พอนะที่จะช่วยทำให้คนเราเนี่ยพ้นทุกข์ได้ทำดีแล้วเนี่ยมันต้องมีประการนึงก็คือทำใจให้ดีด้วยถ้ามีแต่ทำดีเนี่ยก็ไม่ต้องมีศีลไม่ต้องมีายสิกขานะ มีแค่ศีลก็พอสมาธิภาวนาก็ตัดทิ้งไปหรือถ้านพรเจ้าหรือพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทำดีละชั่วโอวัตถะปฏิโมกข์ก็มีสองประการก็พอนะไม่ต้องมีข้อที่สามก็คือว่าทำจิตใจให้ผ่องใสบิณฑบาวัตถุ ก, ก็มีแค่สองก็พอคือทานศีลไม่ต้องมีภาวนาแต่เราก็ทราบใช่ไหมว่า นอกจากทานเศษแล้วต้องมีภาวนาด้วยนอกจากเศษแล้วก็ต้องมีสมาธิและปัญญาด้วยนะถึงจะเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นพุทธธรรมที่ครบถ้วนนอกจากทําดีละชั่วหรือเว้นชั่วแล้วเนี่ยก็ต้องทําจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยมันจึงมันจึงจะเป็นพุทธศาสนาที่ครบถ้วน ดังนทำดีแล้วเนี่ยนะดีแล้วนะแต่ว่ามันไม่พอนะมันต้องทำใจให้ดีด้วยและถ้าว่าเราทำใจให้ดีเนี่ยนะมันก็จะไปช่วยขยายหรือกากับการทำดีให้เป็นการดีอย่างแท้จริงไม่ใช่ทำดีเอาหน้าหรือไม่ใช่ทำดีเฉพาะแค่ไม่เอาเปรียบเบียดเบียน แต่ว่ามันมีความหมายกว้างไปถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยเร่องที่ทำดีเนี่ยคนจะไม่น้อยเนี่ยก็ไปเข้าใจว่ามันหมายถึงเฉพาะการรักษาศีลหรือการมีศีลห้าครบท้วนซึ่งก็ดีนะแต่มันไม่พอนะศีลห้ามันเพียงแค่การไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบียนในบางเรื่องด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้เบียดเบียนแบบเบ็ดเสร็จนะ แต่ไม่เบียดเบียนในเรื่องที่มันร้ายแรงในบางเรื่องที่มันอาจจะร้ายแรงน้อยกว่าแต่ก็ไม่อยู่ในศีลห้านี่ก็มีเยอะนั่นศีลห้างเป็นียแค่การทําดีเบื้องต้นหรือทําดีขั้นต่ำํำมาไปก็ น, นะคืออย่างนั้นคือความเอื้อเฟื้อนละจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเอื้อเฟื้อไกลหรอกนะแค่เอื้อเฟื้อคนที่อยู่ใกล้เนี่ย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเดอเพระถ้าคนที่อยู่ใกล้นี่เขาไม่ไม่ได้ทําดีกับเราเวลาพูดถึงการทาดีเนี่ยคนจะไม่น้อยก็นึกถึงว่าทําดีกับคนที่เขาดีกับเราใครดีกับเราเราก็ดีด้วยใครไม่ดีกับเราเราก็ไม่ดีด้วยอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นยังไม่ถูกต้องนะแม้กระทั่งคนที่ทาไม่ดีกับเราจะ เราก็ควรจะทำดีด้วยแล้วคนที่ไม่ทำดีกับเราบางทีก็ไม่ใช่ใครนั้นก็เป็นคนใกล้ตัวแต่ครั้งจะทำดีกับเขาก็ใจไม่กว้างพออันนี้เพราะว่าไม่ได้ทำดีที่ใจด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าทำใจให้ดีแล้วเนี่ยแม้คนที่ทำไม่ดีกับเรา เราก็ทํำดีกับเขาและที่จริงมันก็อย่างที่ว่าไม่ไม่ไปต้องเป็นคนไกลตัวหรอกคนใกล้ตัวนี่แหละแค่จะทํำดีกับเขาทั้งที่เขาทําไม่ดีกับเราก็ไม่ใช่เรื่องได้มีพี่อย่งคนหนึ่งกันเล่าว่าเนี่ยสามีเนี่ยนะก็ชอบกันแนกแนันแหนตัวเธอเพราะว่าเธอเนี่ยสนใจธรรมะชอบไปวัด ชอบไปทำบุญบางทีก็ไปปฏิบัติธรรมแต่สามีก็คอยกันแนกันแหนนะเธอก็ขุนมัวขุนเครืองวันหนึ่งก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เนะจ้าวาดในสำนักที่ตัวเองเนี่ยนะไปทำบุญเป็นประจำ เจ้าว่าท่าก็บอกว่าเนี่ยก็ทําดีเขาสิเวลาเขากลับบ้านเวลาเขากลับมาจากทํางานนะก็หาน้ําเย็นๆมาตอนรับเขาพูดดีกับเขาไต่ถามทุกสุขเขาว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมเพียงก็บอกว่าเนี่ยทําไปทำมาทาแล้วได้อะไร นี่พูดกับพูดถึงสามีนะไม่ใช่ใครที่ไหนทําแล้วได้อะไรทําไปทําำมาแล้วนั่นก็ตอบดีนะก็บอกว่าเนี่ยก็ก็เหมือนกับโยมนี่นะมาทําบุญที่วัดมาทำบุญกับธรรมาเนี่ยโยงก็ไม่ได้หวังอะไรไม่ใช่เหรือนะก็ทําอย่างนั้นกับสามีสินะไม่ต้องหวังอะไรอะนะเหมือนกับที่ทํากับธรรมา เธอก็ใจก็ไม่ค่อยคล้อยตามนะแต่ว่านับถือครูบาอาจารย์นั้นพอกลับไปบ้านนะเวลาสามีกลับจากที่ทำงานเย็นๆเนี่ยเธอกนะ็เอาน้ำเย็นๆมาต้อนรับนะเอาของขอบเคี้ยวมาให้แล้วก็พูดจายิ้มแย้มแจ่มใสนะไต่ถามว่าเหนื่อยไหม ในใจจริงก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไมได้มีความศรัทธาในสิ่งที่ทำหรอกนะแต่ว่าครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยก็ลองทำดูเพราะว่าไม่นานนะท่าทีของสามีก็เปลี่ยนไปเลยจากที่เดิมจากเดิมที่คอยกันแนกกันแหนนะก็เริ่มที่จะมา พูดดีด้วยแล้วก็ชื่นชมเธอเพราะว่าเนี่ยออไปวัดนี่มันก็ดีมกันนะท่าทีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะสามีจงทั้งเลิก ก, กันแนกันแหนเล ย, ยเธอดีใจามากเลยนะตอนหลังเนี่ไปไปกราบเจ้าว่าเนี่ยก็เล่าให้ฟังในเรื่องที่สามีท่าทีเปลี่ยนไป ล้วก็พูดกับเจ้าว่าเนี่ยลุงที่ทำไปนานแล้วลุงที่ทำไปนานแล้วนี่เป็นตัวอย่างนะคนที่สนใจธรรมะเข้าวัดเนี่ยบางทีการทำความดีของเขาเนี่ยมันก็ยังคับแคบนะก็คือว่าทำดีเฉพาะกับคนที่เข้าดีกับเรา ถ้าเ้าไม่ดีกับเราเราก็ไม่ทําดีด้วยหรือไม่อยากจะทําดีด้วยทั้งที่คนนั้นก็ไม่ใช่ใครนะเขเป็นคนในบ้านนี่แหละแม้กระทั่งพระแนะนําให้ทํำดีเขาก็ยังเถียงในใจว่าทําแล้วได้อะไรแต่ว่าด้วยความศรัทธาในเจ้าวาดนับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยลองทําดูแล้วพอทําแล้วเห็นผลนะก็ รู้เลยนะ้โอ้โหลุงนี่ ท, ทาดีไปนานแล้วแต่ว่าทาดีกับคนใกล้ตัวมันก็ยังไม่พอนะมน็ต้องทำกับคนที่ไกลตัวออไปแม้กระทั่งเขาจะไม่ทำนี่ไม่ดีกับเรานะอันนี้มันต้องใส่ใจนะใจที่ฝึกนะใจที่ฝึกให้มีศรัทธานในความดีใจที่มีเมตตาเพราะนั้นเนี่ยการ ทำใจให้ดีเนี่ยนะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันและมันไม่ได้แค่ช่วยทำให้การทำความดีของเรามันมันแผ่กระจายขยายไปสู่คนที่ไกลออกไปหรือไปสู่คนที่เขาทำไม่ดีกับเราแมนช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะรักษาใจให้ปกติได้นะเวลามีอะไรมากระทบ เวลามีความเจ็บป่วยเวลามีความต่อว่าด่าทอเวลาเจ อ, อุประสารงานเจอความยากลำบากถ้าเรารู้จักทำใจให้ดีนะมันก็ช่วยให้ใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์คนที่ทำดีหลายคนนะแม้ว่าจ ะ, ะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงไม่เอาเปรียบใคร รวมทั้งมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีความทุกข์นะทุกข์เพราะเรื่องงานทุกข์เพราะเรื่องครอบครัวหรือว่าทุกข์เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองหรือทุกข์เพราะวิตกกังวลนะกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้นทำไมฉันทําดีแล้วฉันก็ยังมีความทุกข์นะ อันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นกับหลายคนรวมทั้งคนที่ทำดีในลักษณะของการไปวัดทำบุญทำกุศลถวายสักรทานรวมทั้งรักษาศีลห้าแต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาก็ทำไมถึงต้องเป็นชั้นฉันทำดีแล้วทำไมต้องมาเจอแบบนี้อันนี้เพราะว่า ขาสิ่งหนึ่งไปนะคือการรู้จักฝึกใจหรือทําใจให้ดีถ้าทำความเดียวๆมันไม่พอนะมันต้องรู้จักฝึกใจหรือว่าทำใจให้ดีด้วยทําใจใดีนี่ก็ อ, อาศัยสมาธิธอาศัยปัญญาหรือการฝึกจิตให้เกิดปัญญาขึ้นมาและการฝึกเนี่ยนะ มันก็ต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปฝึกเข้าไปเข้าไปกระทาด้วยซึ่งหลายคนเนี่ยนะบางทีก็สนใจธรรมะนะฟังธรรมะอยู่เป็นประจำนะแต่ว่าหลายคนกมน็มักจะสงสัยทำไมฟังธรรมะแล้วมันก็ยัง ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือบางทีไม่ได้เกิดนะความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเลยนะกับชีวิตกับเหตุการณ์ต่างๆบางคนก็ฟังธรรมะมามากมายแต่ก็ยังเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมักโกรธนะบางคนก็ยังเป็นคนตันหนีนะบางคนก็ยังเป็นคนที่วิตกกังวลนะ ทาเนี่ยถ้าจรลอยทองอเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติได้แต่ฟังการฟังแต่ว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตจิตใจของตัวเองเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเจ้าตัวจะไม่สังเกตนะแต่ว่าคนที่อยู่รอบขานี่ก็จะสังเกตได้ ฟังธรรมะทุกวันเช้าเย็นก็ยังขี้โกรธยังเป็นขี้คนขี้หงุดหงิดนะเจ้าอารมณ์บนโน่นบนนี่ก็เปาะก็แปะหลายคนฟังก็ทั้งที่เห็นดีด้วยนะแต่ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่ามันไม่ปฏิบัติ เ, ออเวลาในวงการธรรมะเนี่ยมันบางทีเราจะเจอคำว่าเนี่ย คนที่สอนยากนะคนที่สอนยากเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่ฟังธรรมะไม่สนใจธรรมะนะแต่รวมถึงว่าคนที่ฟังธรรมะสนใจธรรมะแต่ว่าไม่ปฏิบัติบางทีก็ใช้เหตุใช้ผลมากกว่ามมีคนจะไม่น้อยนะที่คิดว่าเนี่ยเพียงแค่มีเหตุมีผลก็พอแล้วนะ เพียงแค่รู้ผิดชอบช่วยดีก็พอแล้วแต่ความจริงนันมันก็มีว่าเนี่ยแค่มีเหตุมีผลเนี่ยมันยังไม่ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตจิตใจมากเท่าไหร่และบาคํัก็ช่วยแก้ทุกข์ไม่ได้ด้วยเพราะบางคนก็ยังเครียดบางคนก็ยังวิตกกังวลบางคนก็ยังจมอยู่กับเหตุการณ์เก่าๆในอดีต หรือความรู้สึกผิดที่ติดค้างใจเหตุผลมันไม่ได้ช่วยเลยนะเพราะมันมีข้อจำกัดและแม้จะเหตุผลจะทำให้เห็นคล้อยตามนะเออที่ฟังที่ท่านบรรยายธรร ม, มานี่เห็นด้วยถูกต้องแต่พอไม่ปฏิบัติหรือถ้าไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา การปฏิบัติเนี่ยหมายถึงอะไรนะหมายถึงการมองตนการมามองตนคนเราถ้าไม่รู้จักมองตนนะมันก็จะไม่รู้นะว่าเนี่ยไอความทุกข์เนี่ยสายเหตุสาเหตุของมันอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มองตนเนี่ยเหตุผลที่มีอยู่มันก็ชักพาเราออกไปโทษคนอื่น ว่าคนอื่นนี่ทำให้เราทุกข์หรือแม้กระทดินฟ้าอากาศทำให้เราทุกข์แต่ถ้าว่าเรารู้จักมองตอ น, นมันก็จะเห็นว่าโอมันใช่แน่หรือนะว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจความทุกข์ใจมันไม่ได้อยู่ที่ใจของเราหรือและสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราหรือเปล่า บางทีคนก็มองไม่เห็นนะเหมือนกับที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนที่แบกหินแล้วก็บ่นว่ามันหนักมันหนักมันหนักแต่พอถามว่าหนักหรือทุกขเพราะอะไรอาจารย์นวยไม่น้อยเลยก็บอกเนี่ยเป็นเพราะหินมันหนักแต่น้อยคนที่จะตอบว่าเป็นเพราะเราแบกมัน ไปโทษว่าหินหนักนะแต่ไม่ได้โทษว่าเป็นเพราะเราแบกมันถากว่าหัานมามองตนนะแะ้วรู้ว่าที่ทุกเนี่ยนะเพราะแบกคำตอบมันก็เฉลยออกมาเลยนะก็ปล่อยเลยก็วางเิยงันคนเราจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องมองตนนะ ถ้าไม่รู้จักมองตนเนี่ยมันก็ไม่เห็นแล้วคนที่ฟังธรรมมากมา ก, มากเนี่ยบานทีฟังก็เห็นด้วยนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยพอมีความทุกขนะ์ก็ไปโทษข้างนอกตลอดเวลาไม่ได้หันมามองตนเท่าไหร่หรือว่า บางทีพระท่านก็สอนนะว่าให้รู้จักหาประโยชน์จากอนิจจารม์นะเวลามันเจอความยากลำบากเจออุปสรรคเจอคนที่ทำไม่ถูกใจหรือว่าเจอปัญหาต่างๆเช่นความเจ็บความป่วย ให้รู้จักหาประโยชน์จากมันนะว่าเออมันมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะพระพุทธเจ้าก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอนนะแต่พอเวลาเจอนิถารณ์เจอความสูญเสียเจอคาต่อว่าต่อทาเจอุปสรรคก็แต่บนโวยวายตีโพยตีพายบางทีก็ว่าทำไมต้องเป็นชันทำไมต้องเป็นชั้น อันนี้เป็นพาะไม่ได้ปฏิบัตินะพอปฏิบัตินี่มันจะเห็นเลยโอ้เราต้องรู้จักหาประโยชน์จากมันให้ได้นะแม้เวลาเจอมันเจออุปสรรคเจออ น, นิถารมเจอโลกธรรมไฟลบเสื่อมลาบเสื่อมยศหรือว่าเจอสุขเจอดินทาว่าร้ายแทนที่จะบน่นโวยวายตีพอยตีภายก็ลองดูซื้อว่า เรอมันจะให้ประโยชน์กับเราได้อย่างไรเอามาใช้เป็นเครื่องฝึกสติามาใช้เป็นเครื่องฝึกขันติเหมือนอย่างที่เคยเล่านะเนีเวลาโจรจันใดเนี่ยถูกเจ้านายด่าว่านี่เอ๊ะแพนมมือเลยนะแล้วก็บอกขอบคุณครับขอบคุณเพราะอะไรนะขอบคุณที่ช่วยเตือนให้ผมเห็นว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนขอบคุณที่ ช่วยเตือนให้ผมกลับมามองตนขอบคุณที่ช่วยเตือนให้ผมกลับมาจัดการกับความโกรธในใจตนนี่คือประโยชน์การหานนประโยชน์จากการหาประโยชน์จากอ น, นิจฐานละเรื่อง น, น้อยเนี่ยนะก็เรียนรู้ที่จะยอมรับมันนะทำไมเราจะยอมรับมันโดยที่ไม่บน่นไม่เไ ว, ไว่อวายไม่ทีโพยทีภายเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราได้ได้ฟังมานะ จากครูบาจารย์หลายท่านฟังแล้วแต่ว่าพอถึงเวลาก็จมอยู่ในความทุกข์อันนี้เพราะไม่ปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นการสอนยากแบบหนึ่งนะสอนยากไม่ใช่แปลว่าไม่ฟังปิดหูแต่บางทีมันหมายถึงว่าฟังก็ฟังแบบเพลินๆแต่ไม่ได้อาไปปฏิบัติเพราะคิดว่า นะฉันรู้แล้วนะบางทีมันฟังแบบเข้าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะว่ามันฟังมาจนชินละก็เลยคิดว่าไม่ต้องปฏิบัติก็ได้แต่ของพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้นะบางทีใช้เหตุใช่ผลเดียวไม่พอก็เหมือนกับผู้หญิงคนที่อาจารย์แนะนำว่าให้ทำดีกับสามี ใช้เหตุใช้ผลมันก็อาจจะได้ข้อสสุรว่าทำไปแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นมายิ่งทำให้เขาได้ใจแต่ว่าพอปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันให้ผลตรงข้ามกับที่คิดนะเหตุผลเนี่ยมีข้อจำกัดนะจนกว่าเราจะปฏิบัตินะแม้กระทั่งการมาอยู่ในที่ที่มัน ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่างบางคนนี่ติดโทรศัพท์ติดความสะดวกสบายพอบอกว่าเนี่ยให้ลองมาอยู่ในที่ที่มันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็นบอกจะอยู่ไปทำไมได้ประโยชน์อะไรใช่นี่พอใช้เหตุใช้ผลใช้หตใช้ผลก็รู้สึกว่าเออมันมันลาบากนี้ฉันอยู่ก็ทุกข์สิ แต่พอไปอยู่จริงๆนะเออกับรสึกสบายนะไม่ต้องเป็นท่ายของโทรศัพท์มีเวลาว่างนะเป็นของตัวเองมากขึ้นได้มีโอกาสสัมผัสกับธรรมชาตินะแต่ใช้ชีวิตที่อ่าเนิบช้ามากขึ้นตอนไม่ได้เจอเองเนี่ยหรือได้ลองปฏิบัติเนี่ยได้สัมผัสของจริงเนี่ยมันถึงจะเห็นแต่ว่าถ้าใช้แต่เหตุใช้ผลอย่างเดียวนี่มัน บางทีมันได้ข้อสรุปตรงข้ามนะว่าอยู่แล้วมาแล้วได้อะไรไม่มีประโยชน์นะนี่เป็นเพราะคนเราไปเชื่อเหตุเชื่อผลมากไปแล้วคิดว่าแค่เหตุผลอย่างเดียวก็ทำให้ฉันนำพาชิตได้ไปทางที่ผาสุกแล้วแต่จริงเนี่ยไอการปฏิบัติต่างหากนะที่ทำให้เราได้พบกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อน แล้วพอได้ปฏิบัติจริงๆก็อาจจะอุทธานเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเนี่ยรู้นี้ทำไปนานแล้ว